สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยพิบาลนะครับพี่น้องครับการที่เราจะก้าวเข้าไปข้างหน้าหรือก้าวสูงขึ้นไปฝ่ายจิตวิญญาณ น, นั้นกระบวนการการสแสวงหานั้นมีอยู่7ขั้นตอนครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่พื้นฐานที่สุดก็คือความเชื่อเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อครับตามหนังสือ20กฎทองคา ของศาสจันจาร์ด็ p h i l i ร์ฟิลิปเทงท่านเขียนครับว่ามี7ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือความเชื่อขั้นตอนที่2คือคุณธรรมวันนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับผมจะไล่ให้ฟัง7ขั้นตอนตรงนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องเกิดความคุ้นเคยนะครับขั้นตอนแรกคือความเชื่อขั้นตอนที่2คือคุณธรรมขั้นตอนที่3คือความรู้ขั้นตอนที่4คือความเหนี่ยวรั้งตนขั้นตอนที่5คือขันติ ขั้นตอนที่6คือธรรมะและขั้นตอนที่7คือความรัก7ขั้นตอนนั้นมีส่วนเกี่ยวโยงนะครับเป็นหลักการเป็นเหตุเป็นผลเมื่อวานนี้ครับได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อไปแล้วนะครับความเชื่อนั้นเป็นรากฐานของจิตวิญญาณรากฐานต้องดีเสียก่อนนะครับความเชื่อมีสามขั้นตอนก็คือความเชื่อในอดีตที่นำไปถึงความรอดความเชื่อในปัจจุบัน ที่นำไปถึงการดำเนินชีวิตการดำรงชีพอยู่และความเชื่อในอนาคตคือความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติรับใช้เพื่อที่จะได้มาซึ่งบาเน็จและสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยทุกขั้นตอนนะครับต้องมั่นคงแน่วแน่เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ครับว่าจงอย่างรากและก่อสร้างขึ้นในพระองค์มั่นคงในความเชื่อพี่นะครับหากอาคารหลังหนึ่งถ้าวางรากฐานดีแล้ว ค่อยๆก่อตัวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ไม่พังคริสเตียนเรานั่นจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงครับคริสเตียนหลายคนน่าเสียดายไม่มีรากฐานหรือไม่มีรากพอแดดออกครับก็เหมือนกับเป็นต้นไม้นะครับไม่มีรากฐานที่มั่นคงพอแดดออกก็ถูกแดดแผดเผาครับรากไม่มีก็จึงเหี่ยวแห้งไปนั่นคือสิ่งที่ผมได้บรรยายให้พี่น้องฟังเมื่อวานนี้ ในเช้าวันนี้นครับเราไปถึงขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นการสแสวงหาการก้าวสูงขึ้นไปฝ่ายจิตวิญญาณนั่นก็คือคุณธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า virtue นะครับและในคำแปลในบางเล่มแปลว่า moral excellence ซึ่งคำว่า virtue แปลตรงตัวก็คือคุณธรรมครับ moral excellence ก็คือเป็นมาตรฐานที่สูงส่งนะครับทางด้านศีลธรรมพี่น้องครับการมีคุณธรรม การมีมาตรฐานทางศิลธรรมที่สูงส่งนั้นเป็นความสำคัญอันดับต่อจากความเชื่อเมื่อมีความเชื่อเป็นฐานนั้นเราจะต้องมีการเชื่อฟังการเชื่อฟังตรงนั้นแหละครับนำไปถึงการปฏิบัติก็คือมีคุณธรรมชั้นสูงหรือมีคุณธรรมศิลธรรมชั้นสูงหากไม่มีคุณธรรมหรือศิลธรรมชั้นสูงนั้นเราก็จะมีจิตสำนึกที่ไม่ชัดเจน การมีจิตสํานึกที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นั่นคือการมีคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมนั้นก็บางท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับคําว่าจริยธรรมหรือคําว่าเอติกส์ครับจริยธรรมนั้นกับคุณธรรมนั้นก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสูงในการที่เราจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำํำการที่เราจะมีชีวิตที่วางอยู่บนความเชื่อ เราต้องเชื่อฟังก็จะยกระดับคุณธรรมของเราให้สูงขึ้นเป็น Moral Excellence ครับและถ้าเรามีเรียกว่าจิตสำนึกที่จ้ใสชัดเจนนะครับชีวิตของเราก็จะอยู่ในความเชื่อฟังแน่นอนและความจริงแห่งพอจน c t ของพระเจ้าและฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็จะถูกเปิดเผยให้กับเราครับพี่น้องครับความเชื่อ ที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็หลอกลวงไร้ประโยชน์ไม่ช่วยให้เกิดความรอดความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไม่สามารถยืนยันหรือไม่สามารถมั่นใจได้ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็เลื่อนลอยไม่มีหลักการพี่น้องครับคุณธรรมนั้น ดูเหมือนจะเป็นทางออกครับเป็นอาการของความเชื่อทําให้ความเชื่อนั้นเกิดการประพฤติตามก็เกิดผลความเชื่อไม่ไร้ประโยชน์กลายเป็นคุณทราไปแล้วความเชื่อไม่ได้หลอกลวงและที่สำคัญความเชื่อทําให้เราั้งหลายรอดความเชื่อสามารถทําให้เราั้งหลายมั่นใจในความรอดของเราได้ ยืนยันได้ความเชื่อทำให้สิ่งต่างที่เราทํานั้นสิ่งต่างที่เรายึดถือนั้นไม่เลื่อนลอยมีหลักการชัดเจนพินครับนี่คือความสาคัญของคุณธรรมเพราะว่าคุณธรรมนั้นมีรากฐานจากความเชื่อคุณธรรมจึงกลายเป็นวิธีการปฏิบัติครับเป็นวิธีคิดเป็นวิธีทำทาออกมานะครับ การกระทานั้นเกิดจากความคิดความคิดจะคิดอย่างไรมันเกิดจากความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นขั้นตอนการพัฒนาจากความเชื่อนะครับทำให้เกิดคุณธรรมอันเนื่องมาจากการเชื่อฟังครับความเชื่อที่มีการเชื่อฟังทาตามนั้นจะยกระดับคุณธรรมยกระดับจริยธรรมยกระดับศีลธรรมของเรา ให้ชัดเจนมั่นคงและดําเนินต่อไปได้พี่น้องครับโปรดอย่าลืมครับว่าจะต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนความเชื่อที่มีการประพฤติมันก็จะส่งผลต่อระดับคุณธรรมระดับศีลธรรมระดับจริยธรรมของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามตามาพังพีครับพังพีได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าให้เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อนั่นคือสเต็ปที่2 ขั้นตอนที่สองในการทีจ่จะก้าวสูงขึ้นไปพีป่น้องครับขอพระเจ้าทรงนำทรงเสริมกำลังหลายครั้งทีเดียวเรามีความเชื่อและเราก็รู้ครับเนี่ยรู้ว่าเราต้องเชื่อแต่ว่าเราไปไม่ถึงการเชื่อฟังดังนั้นคุณธรรมที่สูงส่งหลักจริยธรรมศีลธรรมที่เยี่ยมยอดไม่เกิดในชีวิตของเราอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความเชื่อพร้อมด้วยการเชื่อฟังคุณธรรมจะเกิดครับเมื่อเราเอาคุณธรรมอยู่เป็นขั้นที่2เราก็จะสามารถก้าวต่อไปสู่ขั้นที่3ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านเมื่อเราเข้าใจกระ บ, บวนการนี้สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องผมย้ําเสมอนะครับว่า หากเราไม่มีแรงที่จะทำหากเราพยายามด้วยตัวเองนั้นมันคงจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรายอมถ่อมใจอธิษฐานทูลขอความเชื่อช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมายในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับอาเมน